วิธีจัดการกับความตื่นเต้นบทความโดยดังตรินจะทำโดยวิพาพรแสนเพื่อนความตื่นเต้นจัดเป็นจิตประเภทไหนอย่างเช่นเวลารอจะเข้าประชุมกับหัวหน้าใจจะเต้นรัวๆหายใจไม่ทั่วท้องจะทำให้ไม่เกิดได้หรือไม่ถ้าว่าตามประเภทของจิต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 เพื่อเอาชนะความถีของคลื่นความปุ้งจัดลองอุบายนี้ดูก็แล้วกันเอามือข้างที่ถนัดเกาะ อ, อกหลุมๆให้ปลายนิ้วกลางแตะตรงตำแหน่งกระดูกเหนือร่องอกแล้วกระดิกคอทีๆโดยแขนและมือไม่เกรงนับให้ได้2ี่สิบครั้งแล้วหยุดเพื่อลากลมหายใจลึกๆสบายๆทีหนึ่งจากนั้นคออีก20สิบครั้งแล้วลากลมหายใจสบายๆอีก ทำสักสองสารอบน่าจะรู้สึกสงบลงเป็นปกติเพราะจิตไม่หลงไปตามพายุความฟุง้งแต่หันกลับมารู้อยู่กับภัสสะอันเป็นปัจจุบันอย่างไรก็ตามอุบายแก้ตรงนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุหากเป็นผู้อบรมสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นปกติก็จะไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นเต้นง่ายๆครับ ลมหายใจที่พวกเราปล่อยทิ้งปล่อยคว้างจนเป็นนิสัยนี่แหละเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นปกติได้ดีที่สุดอยากสร้างความเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะักเหมือนจิตใจอ่อนแอต้องยึดเหนี่ยวแฟนเป็นที่พึ่งทางใจทุกวันจนบางทีกลายเป็นภาระของเขา รู้ตัวว่าบางทีเป็นที่รำคาญพอจะมีวิธีสร้างความเข้มแข็งและความเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ไหมเหตุแห่งความอ่อนแอมีได้มากกว่าที่หลายคนคิดบางก็เพราะเรี่ยวแรงน้อยบางก็เพราะมุ่งมั่นหาความสำเร็จแต่ล้มเหลวบ่อยบางก็เพราะตั้งใจทำอะไรแล้วโลเลเปลี่ยนใจง่าย บางก็เพราะขาดความเชื่อมั่นว่าตนสามารถเข้าสังคมได้บางก็เพราะชีวิตราบรียบสุขสบายจนเฉื่อยชาบางก็เพราะขี้เหงาและไม่รู้สึกว่าตัวเองจะอยู่รอดโดยปราศจากที่พึ่งทางกายหรือทางใจได้เลยโดยธรรมชาติคนเราต้องการเพื่อนคุยที่ถูกอัธยาศัยต้องการสัมผัส ข, ของความรักความอบอุ่น และต้องการการเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปในเพศตนด้วยสิ่งที่มีในเพศตรงข้ามการยังไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของความเหงาเมื่อหายเหงาด้วยใครสักคนที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันหรือเป็นคนรักที่เป็นเพศตรงข้ามก็าอาจเป็นเสมือนยาเสพติดที่คุณเคยชินกับความสุขจากการเสพ เมื่อไรไม่ได้เสพก็ย่อมเหมือนจะลงแดงเอาง่ายๆพฤติกรรมที่มาเกิดขึ้นกับคนถูกใจจึงเป็นการโทรคุยหรือนัดพบทุกวันถ้าอยู่บ้านเดียวกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เบาแรงทั้งสองฝ่ายแต่หากยังอยู่คนละบ้านยังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันจรงิงจังอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางเป็นแน่และจะยิ่งแย่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่สะดวกกายหรือไม่สะดวกใจแต่ถูกคาดคั้นให้ต้องพบกันหรือคุยกันอย่างสม่ำเสมอการไม่ได้พบหรือไม่ได้คุยอย่างใจอยากมันก่อให้เกิดคลื่นความไม่พอใจซึ่งอีกฝ่ายจะรู้สึกได้และอึดอัดเหมือนคนถูกมัดมือมัดเท้าให้ต้องทนอยู่ในกรงซึ่งบางครั้งบางวันอาจไม่สมัครใจ เมื่อคิดว่าคนรักเป็นยาเสพติดเรารู้ตัวว่าติดยาเกินขนาดเห็นโทษของการเสพติดที่มีผลเป็นทุกข์ทางใจของทั้งเราและเขาก็อาจกระตุ้นให้คิดได้ว่าควรลดปริมาณการเสพยาลงเสียทีหากไม่รู้ตัวว่าติดหากไม่เห็นโทษของการเสพติดคุณก็จะเดินหน้าเสพต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ยับยั้งชั่งใจและในที่สุดก็จะพบว่า ความรักความอาลัยเป็นกรงขังจิตให้ติดอยู่กับทุกข์ติดอยู่กับความกระวนกระวายโดยมีความสุขวูบว่าเป็นเศษอาหารให้อิ่มแบบหลอกหลอกเพียงครู่การเสพติดจน จ, นจิตหมกมุ่นนั้นทำให้อ่อนแอและตั้งข้อแม้กับตัวเองว่าจะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ต้องโดยการช่วยเหลือของคนอื่นฉะนั้น คุณก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาจะหวังรอให้ใจเลิกยึดไปเองคงยากทางลัดคงไม่มีอะไรเกินทำบุญเพราะบุญเป็นผลให้สุขทางใจและความสุขทางใจย่อมเป็นกําลังเสริมเติมส่วนที่ขาดพร่องได้เสมอยิ่งหากรู้วิธีทำบุญในแบบที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและรู้สึกขึ้นมาว่า มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็รอดได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครคุณก็จะลดความทุรนทุรายลงอย่างน้อยก็มากพอจะอยู่คนเดียวสักวันโดยไม่ต้องรบกวนให้ใครโทรหาหรือมาพบก่อนอื่นขอบอกให้สบายใจว่าวิธีการที่จะแน่ต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้คุณคิดอยากเลิกกับแฟนหรือเกิดความอยากทำบุญโดยอุ ป, ปเทวิธีเช่นนี้ตลอดไป ผลที่ได้จริงๆคือการลดความต้องการพึ่งพายาเสพติดในตัวคนรักทำให้เป็นอิสระต่อกันมากขึ้นมีโอกาสพักหายใจใหาคอเป็นสุขอยู่กับตัวเองเสียบ้างทางพุทธศาสนานั้นถือว่าการทำบุญที่จะก่อให้เกิดพลังระดับสูงและให้ผลเป็นความสุขทางใจได้ง่ายๆด้วยเวลาอันรวดเร็วเห็นจะไม่มีอันใดง่ายกว่านาสิ่งของ หรืออาหารไปถวายพระภิกษุถึงวัดหรืออย่างที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นการทำสังฆทานนั่นเองสังฆทานมีผลใหญ่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำด้วยความสบายใจและทำกับผู้มีสง่าราศีแบบพระให้นึกเรื่มใสได้บ้างการทำสังฆทานครั้งนี้เรามุ่งมาที่ใจเป็นหลักไม่หวังผลพลอยได้อื่นใดทั้งสิ้น ขอแจกแจงเป็นข้อๆดังนี้ข้อที่หนึ่งคิดเองคือคิดว่าจะนำของสำคัญในการดำรงชีพอันใดไปถวายไปถวายวัดไหนเมื่อใดในขั้นนี้ดูเผลๆเหมือนไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากแต่ความจริงก็คือถ้าคุณไม่เคยตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่มั่นใจ ตลอดจนมีอาการจดจ้องว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีหากวาระแรกอยากทำล้วตัดสินใจทำดีคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใครให้ไข้เขวไม่ต้องฟังเสียงใครว่าเอาดีหรือไม่เอาดีคุณได้ชื่อว่าสร้างความเด็ดเดี่ยวลำพังคนเดียวขึ้นมาสาเร็จแล้วชั่วเวลาแค่ไม่กี่วินาทีถ้าคิดได้จริงตั้งใจได้จริง ก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหากสองสามวินาทีทองนั้นมาถึงก็อย่าช้ารีบเฉวยมันไว้ทันทีเพราะสองสามวินาทีทองนั้นอาจไม่กลับมาอีกเลยชั่วกาลนานข้อที่สองเตรียมของเองคือใช้เงินของตนเองห้ามหยิบยืมใคร ของที่จะถวายเป็นสังฆทานนั้นขอให้จำเป็นในการดํารงชีวิตเช่นสบู่ก้อนเดียวก็เป็นสังฆทานได้ถ้าจิตคิดไว้ว่าจะถวายแ ด, ด่สงศ์โดยไม่ตั้งข้อจำกัดจำเพาะจอดจงไว้ก่อนว่าจะถวายพระรูปใดเพราะฉะนั้นคุณน่าจะมีทุนทรัพย์พอและสามารถซื้อหาได้อย่างสบายใจในขั้นนี้ตอนออกไปซื้อของเตรียมถวาย คุณอาจเริ่มรู้สึกสงสารตัวเองนึกอยากได้ใครสักคนมาช่วยโดยเฉพาะถ้าคิดซื้อห ล, หลายๆชิ้นและเคยชินกับการซื้อเข้าของร่วมกับคนอื่นให้กาหนดจิตตัดใจลงไปเลยว่าเราจะซื้อของโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยกับทั้งจะไม่ปล่อยให้เกิดความคิดสงสารตัวเองอย่างเด็ดขาดช่วงเวลาเดียวเดียวคุณน่าจะทาใจได้ไม่ยากอยู่แล้ว หากระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอยากได้คนช่วยเตรียมของได้ตลอดรอดฟังกระทั่งซื้อของเสร็จคุณจะพบว่าใจตัวเองเงียบเชียบแล้วเริ่มเห็นความเข้มแข็งบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเองแล้วข้อที่สไปเองคนเดียวคือถ้าไม่มีรถก็อย่าไว้วานใครไปส่งทั้งสิ้น ขึ้นรถเมลหรือนั่งแท็กซี่ไปเพราะนี้ไม่ใช่การทำบุญธรรมดาแต่เป็นการทำบุญเพื่อขอให้เกิดความเป็นตัวของตัวเองระหว่างเดินทางให้มีสติอย่าใจลอยอย่านึกน้อยใจแล้วก็อย่าให้มีเรื่องรบกวนจิตใจใดๆในขั้นนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางไปทำบุญคนเดียวเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มีความหมายมีความตั้งใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้น มีกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในบัดนั้นให้มองว่าการเดินทางไปทําดีตามลําพังเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่าหดหูเศร้าส้อยแต่อย่างใดชั่วเวลาไม่กี่สิบนาทีทําไมจะตัดใจเลิกคิดยุ่มยิมไม่ได้คือไม่ใช่ให้เข้าชาเลิกคิดอะไรหมดนะครับแต่ถ้ารู้สึกตัวว่าคิดเรื่องที่ทําให้เกิดความเหงาความหดหู ความน้อยเนื้อต่าใจหรือความโมโหโกโรธาใดๆจงรีบหยุดและเปลี่ยนเรื่องคิดไปในทางมงคลทันทีข้อที่สทํทำเองคนเดียวคืออย่าตั้งความหวังว่าใครที่วัดจะเข้ามาช่วยยกของให้นึกถึงการใช้แรงใช้กำลังของตนเองในการทำบุญครั้งนั้น ในขั้นนี้คุณจะรู้สึกชัดว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงตั้งความคิดให้แน่วแน่ว่าจะรักษาจิตไว้ให้พึ่งพาตนเองไม่เหงาไม่เศร้าไม่อยากรับความช่วยเหลือจากใครแต่ถ้ามีเด็กวัดหรือใครเขาอยากเข้ามาช่วยเองก็ให้ช่วยไปนะครับอย่าไปตะเพิดไล่ปฏิเสธน้ำใจเขาล่ะคงไม่เหลือบา ก, กว่าแรงกับแค่ครึ่งชั่วโมงที่อยู่ในวัด ที่คุณจะอยู่กับความตั้งใจทําอะไรดีๆ ด, ด้วยตนเองตามลำพังสักครั้งโดยไม่เห็นว่าตัวเองน่าสงสารกับการไม่มีใครเคียงข้างข้อที่หอธิษฐานคนเดียวคือหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วให้หันไปทางพระประธานหรือพระพุทธรูปนั่งพนมมือตัวตรง ถ้าบรรยากาศเอื้อให้พูดดังๆก็เปล่งวาจาชัดถ้อยชัดคำไปเลยว่าครั้งนี้เรามาทำบุญได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งใครก็ขอให้ใจเป็นสุขได้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยใครอื่นเถิดถึงตรงนี้คุณจะรู้สึกสงบและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างประหลาดตัวคุณใหญ่กว่าความเหงาและเอาชนะความเหงาได้ง่ายๆแค่นี้เอง การทำครั้งเดียวอาจเป็นผลให้ความรู้สึกมั่นคงแค่ระยะสั้นแต่ให้ดีควรทำซ้าอย่างนี้สักสามครั้งภายในหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้เกิดการสำทับบุญจนแน่นหนาพอไม่จำเป็นต้องไปที่วัดเดียวกันและไม่จำเป็นต้องทำสังฆทานเท่านั้นลองไปตามสถานสังคมสงเคราะห์ต่างๆที่เขาเปิดรับบริจาคข้าวของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้รู้สึกว่าได้ทำบุญครบวงจรก็จะเกิดความเบาสบายและเบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นภายในอาทิตย์เดียวถ้าทำบุญด้วยตัวเองสามครั้งคุณจะพบว่าอาการคิดมากอาการอยากพึ่งพาคนอื่นจะลดลงแบบหว บ, หาบ้าที่สำคัญคุณอาจพบว่าตัวเองกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนอื่นอยากมาพึ่งพาไปเสียแทน ถ้าการพลิกกลับตาลปัดอย่างนี้ก็อย่าสงสัยเลยเรื่องของเรื่องนะครับคนเราชอบอยู่ใกล้ผู้ที่เข้มแข็งเพื่อดูดซับความ อ, อบอุ่นและรับแรงบันดาลใจมาสู่ตนแต่จะไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้ที่อ่อนแอเพราะคุณจะรู้สึกเหมือนเสียพลังงานและอาจรับกระแสความเกลียดคร้านมาเข้าตัวไปด้วยผลพลอยได้จากการทําบุญ ให้มีกำลังใจเด็ดเดียวนี้จะช่วยให้คุณลดอาการเฉยชาในการทำงานทั้งโลกได้ด้วยโดยเฉพาะที่เป็นงานหนักงานยากเหมือนต้องขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ใจคุณจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าแค่นี้เองทำคนเดียวก็ได้และในที่สุดก็ทำได้จริงๆเรียกความเชื่อมั่นมาให้ตัวเอง จริงๆอันนี้สองของการใช้อุปเทวิธีทำบุญแบบนี้ยังมีอีกมากเช่นคุณจะเป็นผู้ทำกิจใหญ่สำเร็จได้ด้วยตนเองเป็นหลักปรารถนาอะไรจะมีแรงหนุนให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความภาคภูมิใจในตนเองแต่เอาเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาของคุณการทำบุญแบบนี้จะช่วยใหเห็นว่าความรักความติดพันใกลชิด เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ไม่มีแล้วจะเอาชีวิตรอดไม่ไหวไม่ว่าคนรักของคุณจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเขาจะไม่มีอิทธิพลทางใจกับคุณมากมายเกินจำเป็นดังเคยแน่นอนหมายเหตุสำคัญทิ้งท้ายไว้ด้วยการทำบุญร่วมกันเป็นสิ่งน่าสนับสนุนและควรให้มีบ่อย เพราะจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทุกรูปแบบให้เป็นไปในทางดีทั้งวันนี้และวันหน้าคำตอบสำหรับคำถามนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงแก้ปัญหาความอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเองและมีภาวะพึ่งพาสูงเท่านั้นนะครับ